บุคคลผู้ปรารถนาจะไครพ้นจากวตาสงสา ร, รละเสียซึ่งคารวาดออกทรงบรรพชาในพระพุทธศาสนาของตถาคตแล้วพึงปฏิบัติหาหนทางกลางคือพระอัสดางคิกามักทั้งแปดประการตถาคเตนะอภิสัมพุทธาพระอัสดางคิกามักนี้ตถาคตตรัสรู้ประจักแจ้งด้วยพระอนาวรณญาณอันพิเศษ จัขุกรณีพระอาสดางคิกมากนี้เป็นเหตุให้เห็นแจ้งในทุกขสัตว์และนิโรธสัตว์ยานกรณีเป็นเหตุให้รู้แจ้งในสมุทรยศสัตว์และมรคสัต์อุปสมายะอภิญญายะสัมโพทายะพระอาสดางคิกมรกนี้เป็นปัจจัยที่จะให้ระ ง, งับกิเลสเป็นปัจจัยจะให้กำหนด ซึ่งพระจัตุราริยสัตย์หรืออริยสัตสีให้ตรัรสรู้พระจัตุราริยสัตย์เป็นปัจจัยที่จะให้เห็นแจ้งประจักษ์ซึ่งพระอมตะนิพพานอัตถังขิโกมัคโคพระอัสดางคิกามัคทั้ง8ปประการนี้อริโยเป็นของแห่งพระอริยเจ้าเป็นธรรมอันอุดมล้ำเลิศประเสริฐ จักกาวะติวิยะมีครุวนาดุดสมเด็จบรมมาจากภัตราธิราชอันทรงซึ่งพระเดชาคุณเป็นอันมากและหมู่อริราชทั้งปวงยอมสยดสยงมีอาจเพื่อจะต้านต่อรอริศพระองค์ได้สมุทโยวิยะพระอัสดางคิกามักนี้เป็นที่ประชุมแห่งโพธิปคิยธรรมทั้งปวง มีครุวนาดุดดังว่าพระมหาสมุทรอันเป็นที่ประชุมแห่งแม่น้ำทั้งปวงแม่น้ำน้อยใหญ่แต่บรรดามีในโลกธาตุนี้ย่อมมีกระแสะอันใหญ่ไหลลังทังไปสู่พระมหาสมุทรสิ้นทั้งนั้นจะได้พ้นพระมหาสมุทรหามิได้ฉันใดก็ดีพระอัสดางคิกมรนี้ก็เป็นที่ประชุมแห่งพระโพธิปัจกิยธรรมทั้งปวง คือพระสติปัฏฐานและสัมมาประฐานและอิทิบาตและอินทรีและระละและโพชงมีอุปมาอดังนั้นอธิกะโมลิภูโตพระอัสดางคิกะมรน์นี้เป็นยอดมงคลพิเศษแห่งกุศลธรรมทั้งปวงมณิทูปโปวิยะเวชยันโต ดุดดังว่าแก้วมณีอันเป็นยอดเวชยันตาประศาสตรแห่งสมเด็จจอมรินทราธิราชสัพพกามทโทมณิวิยะถ้ามีฉนั้นดุดแก้วมณีโชษแปดเหลี่ยมอันให้สำเร็จมโนรสความปรารถนาทั้งปวงเวชยันตระโถอนุตโรถ้ามีฉะนั้นดุดดังว่าเวชยันตรสอันเป็นยานอันประเสริฐ ของสมเด็จอมารินธ ร, ราธิราชเอตาที่สั่งยานังพระอาสดางคิกรรมนี้เป็นญาณอันอุดมเหตุนี้ถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติตามแล้วนิพพานาเสวะสันติเกบุคคลผู้นั้นก็จะถึงที่สำนักคือพระนิพพานเป็นเที่ยงแท้ จึงทรงพระมหากรุณาธัสเป็นปุจชาว่าเศยยะทีทังพระอาสดางคิกมักแ8ดประการนั้นเป็นประการใดจึ ง, งทรงวิสันาว่าพระอาสดางคิกมักแปประการนั้นคือสัมมาทิฏฐิประการหนึ่งสัมมาสังกัปโปประการหนึ่งสัมมาวาจาประการหนึ่งสัมมากรรมโตประการหนึ่งสัมมาอาชีโวประการหนึ่ง สัมมาวายาโมประการหนึ่งสัมมาสติประการหนึ่งสัมมาสมาธิประการหนึ่งเป็น8ปประการสัมมาทิฏฐินั้นถ้าจะว่าโดยอุกฤตได้แก่ปัญญาอันกล้าหารมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถอนเสียได้ซึ่งอาวิชานุสัยแล้วและให้เห็นแจ้งซึ่งพระจตุราริยสัตย์ ถ้าจะว่าโดยกำหนดเบื้องต่ำแต่กรรมสกตายานคือปัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากระทำบุญได้บุญกระทำบาปได้บาปแต่เท่านี้ก็นับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิได้และสัมมาสังกปโปนั้นได้แก่วิตกเจตสิก ค, คือวิตกไปในที่อันชอบมีต้นว่าวิตกที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีล วิตกที่จะออกทรงบรรพชาวิตกในที่จะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรวิตกที่จะไม่เบียดเบียนแกสัตว์ถ้าจะว่าโดยอุกฤษสัมมาสังกโปนี้ได้แก่วิตกที่ยกเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์และสัมมาวาจานั้นคือกล่าวถ้อยคำเป็นวจีสุจริตพระศจากมุตสาวาท เปสุญยาวาสพรุษวาสสมพับปลาปวาทคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสัมากกรมันโตนั้นคือกระทาการอันดีเป็นกายสุจริตปราศจากปานาธิบาตอัทินนาทานกาเมสุมิชาจารปราศจากสองเสพสุราเมรยัย สัมมาอาชีวนั้นคือเลี้ยงชีวิตชอบธรรมปราศจากมิจฉาชีพมิได้กระทาการโกหกมายาเลี้ยงชีวิตสัมมาวายามนั้นคือสัมมประธานทั้งสี่ประการคือความเพียรเพื่อจะละเสียซึ่งอกุศลที่ตนเคยกระทาจัดเป็นสัมมประธานประการหนึ่ง กระทำความเพียรเพื่อจะไม่ให้อกุศลที่ยังไม่บังเกิดนั้นมีให้บังเกิดขึ้นได้ก็จัดเป็นสัมมาประทานประการหนึ่งกระทำความเพียรบำเพ็ญกุศลที่ตนยังไม่เคยบำเพ็ญนั้นก็จัดเป็นสัมมาประทานประการหนึ่งกระทำความเพียรเพื่อบำเพ็ญกุศลที่ตนเคยบำเพ็ญให้เพิ่มพูนพิญโยภาพก็จัดเป็นสัมมาประทานประการหนึ่ง ทั้งสี่ประการนี้แหละได้ชื่อว่าสัมมาวายาโมและสัมมาสตินั้นคือบัมเพนพระสติปัฏฐานทั้งสี่ประการคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่งธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานประการหนึ่ง อธิบายว่าเจริญพระสติปัฏฐานมีสติผูกพันอยู่ในที่พิจารณาลมอสสาสะปัสสาสะผูกพันอยู่ในที่พิจารณาเวทนาทั้งสามคือสุขและทุกข์และอุเบกขาผูกพันอยู่ในที่พิจารณาจิตผูกพันอยู่ในที่พิจารณาซึ่งนิวรณธรรมเป็นอาธิให้เห็นสังขารธรรมทั้งสี่กองนี้ เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตานี่แหละได้ชื่อว่าสัมมาสติถ้าจะว่าโดยกำหนดเบื้องตำ่ำสติที่ระลึกในการบุญเป็นต้นว่าระลึกที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีลระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยระลึกถึงคุณท่านผู้มีคุณเป็นต้นว่ามารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ แต่เพียงนี้ก็เป็นสัมมาสติได้และสัมมาสมาธินั้นคือเจริญพระอุปจาราสมาธิและอัปปนาสมาธิอุปจาราสมาธินั้นคือจิตตั้งมั่นในที่ใกล้จะได้สาเร็จซึ่งฌานและอัปปนาสมาธินั้นคือองค์สมาบัตมีปฐมฌานเป็นอาทิ มีปัญจมาชานเป็นปริโยสารถ้าจะว่าโดยกำหนดเบื้องต่ำจิต ท, ที่แน่ลงในขณะเมื่อบําเพ็ญทานและรักษาศีลจำเริญภาวนาสะดับฟังพระสัท ธ, ธรรมเทศนาแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นคานิกาสมาธินั้นก็จัดเป็นสัมมาสมาธิได้สิริเข้าด้วยกัน จึงเป็นพระอัสดางคิกมมักแปประการพระอัสดางคิกมะมักหรืออัตถังคิกมมักแปประการนี้เป็นที่ประชุมแห่งพระโพธิปคัคขยธรรมทั้งปวง